อย่างของเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกรได้แก่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งเป็นแนวทางการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในระดับครอบครัวเพื่อให้พออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยากและเลี้ยงตนเองได้ขั้นที่2การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ร่วมแรงในการผลิตจัดการตลาดและพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบต่างๆเป็นการสร้างความสมัคคีภายในท้องถิน่นและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกภายนอกขั้นที่3ติดต่อประสานงานกับภายนอก เพื่อจัดหาทุนหรือแหล่งเงินเช่นธนาคารหรือบริษัทห้างร้านเอกชนมาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยสรุปแนวพระราชดำริจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น สนับสนุนการรวมตัวกันโดยอาศัยทุนทางสังคมหรือวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานสร้างองค์กรหรือเครือข่ายที่เข้มแข็งในระดับชุมชนหรือระดับเครือข่ายธุรกิจเอกชน ระดับนักธุรกิจยอมรับการมีกำไรในระดับพอประมาณหรือ normal profit ยอมรับการมีกำไรในระดับพอประมาณและมีเหตุผลที่พอเพียงต่อนักธุรกิจที่ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นและต้องไม่เป็นการสแสวงหากำไร โดยการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือผิดกฎหมายไม่ปฏิเสธการส่งออกแต่ต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพื่อให้พร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยระลึกเสมอว่าการจะก้าวให้ทันต่อกระแสโลกาพิวัติต้องอาศัยความรอบรู้รอบครอบและระมัดระวังอย่างยิ่งสามารถกู้เงินมาลงทุนได้เพื่อทาให้รายได้และต้องสามารถใช้นี้ได้ ต้องมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตเพียรอดทนและรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการพัฒนาประสิทธิธภาพการผลิตการปรับปรุงสินค้าและคุณภาพให้ทันกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรักษาความสมดุลในการแบ่งปันผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆได้แก่พนักงานบริษัท ผู้บริโภคและสังคมโดยรวมระดับนักการเมืองการกำหนดนโยบายการออกกฎหมายและข้อบรรัญญัติต่างๆหรือดำเนินวิถีทางการเมืองให้ยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงและผลประโยชน์ของส่วนรวม มีทัศนคติและความคิดที่ดีบนพื้นฐานของความพอเพียงสุจริตมีความเพียรและมีสติในการทำกิจการต่างๆตัวอย่างการกำหนดนโยบายการเงินการคลังได้แก่ 1. ความพอดีเช่นกำหนดเป้าหมายปริมาณเงินต้องไม่มากเกินไปจนเป็นผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และไม่น้อยเกินไปจนทำให้เศรษฐกิจซบเซา 2. ความมีเหตุมีผลและความคล่องตัวต้องสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีเหตุมีผลและคล่องตัว 3. าระมัดระวังการเปลี่ยนแนวนโยบายการเงินการคลังต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ 4. การป้องกันปัญหาก่อนที่จะรุนแรงขึ้นต้องพิจารณาถึงปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 5. การจัดการดอกเบี้ยหรือการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศควรอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลความพอดีไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปตัวอย่างนโยบายการพัฒนาระบบ ก, การศึกษาไทย บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงควรมุ่งไปสู่การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อทำให้เกิดสติปัญญาความรอบรู้และศิลธรรมอัจจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและพอเพียงเนื่องจากกระแสของโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่และสังคมใหม่ที่เน้นเรื่องความรู้กันมาก จึงต้องสร้างระบบการศึกษาให้กับคนทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายต้องคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานโลกข้างหน้าเป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงต้องสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งการที่ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดความยากจนต้องกำหนดความสำคัญของการศึกษา ให้เป็นหัวใจของการพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านการเมืองด้านการเกษตรและอื่นอื่นระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตมีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบการจัดเรียมนโยบายแผนงานหรือโครงการต่างๆ ต, ต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคมเศรษฐกิจและจิตใจควบคู่กันไประดับครูอาจารย์ ถ่ายทอดปลูกฝังความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กและเยาวชนสอนให้คิดเป็นเข้าใจในหลักเหตุผลมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานของศิลธรรมและการพัฒนาจิตใจควบคู่กันไปและสุดท้ายความพอเพียงสำหรับคนทุกวัยทุกศาสนา 1. ดําดำรงชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเองและคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาอาศัยกันและกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 2. ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสอดคล้องกับหลักคำสอนของทุกศาสนาที่ให้ดำเนินชีวิตตามกรอบคุณธรรม 3. ไม่ทำการใดๆที่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น 4. ไม่ฟุ้งเฟอ้อหรือทำอะไรที่เกินตนห้ารู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามความเหมาะสมและกำลังความสามารถของตนหกดำเนินชีวิตบนทางสายกลางคือคำนึงถึงความพอดีไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป คว่าเพพียงแลจากกใจจเป็นลู<จ>บ<อ>เสียงอ่านหนังสือหลักธรรมะหลักธรรม<อ>ตามรอยพระยุคลบาทเขียนโดยด็อกเตอร์สุมเมธตันติเวชกุล<อ><อ>เลขาธุการมูลนิธิชัยพัฒนา<อ>เสียงอ่านโดยโจชโฉติดตามดาวโหลดธรรมะอีกมากมายได้ฟรีที่ jocho.net j o Z s h o .dot.n ใจ ด้วยความรักด้วยพักดีด้วยความรักด้วยพักดีตลอดไป